สามสวันก่อนก็ได้ไปบรรยายธรรมที่วัดเ็นจมาบพิษฐ์มีโยมคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าเวลาอยู่วัดนะปฏิบัติธรรมก็สงบดีแต่เวลากลับไปบ้านมันก็ มีสิ่งกระตุ้นให้วาบุญใจพูดไปสีหน้ า, าก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มีความเครียดก็เลยถามาาว่าทำยังไงดีเราคิดว่าที่เขามีความไม่มีปัญหาเวลาอยู่วัดเนี่ยนะก็เพราะว่าเขา เนนเรื่องความสงบคือพยายามบังคับจิตให้มันให้มันสงบก็ไม่ได้ฝึกให้มีสติรู้ทันรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นนักปฏิบัติจำนวนมากเนยนะ เวลาเวลามาปฏิบัติที่วัดเนี่ยหรือว่าที่ไหนก็ตามนะที่มีการจัดเอาไว้เป็นพิเศษเพื่อการปฏิบัติเนี่ยก็พยายามที่จะบังคับจิตให้มันสงบซึ่งก็ทำได้ไม่ยาก เพราะว่าพอทําไปทําไปเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อให้ไม่มีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นน้าคนเราเนี่ยจยะว่าแต่นักปฏิบัติเลยนะแม้แม้แต่คนที่ไม่ได้ปฏิบัติพออยู่วัดก็ดีหรือว่าอยู่สิ่งแวดล้อมที่มัน เงียบสงบก็ดีเช่นอาจจะเป็นรีสอร์ทใจมันก็สงบได้สงบเนี่ยเพราะไม่มีสิ่งเร้าทีลแรอาจจะใจอาจจะคิดโน่นคิดนี่ไปตามภาษาแต่พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปหรืออยู่ไปอยู่ไปไม่มีสิ่งเร้าไม่ว่าจะ เป็นเสียงหรือภาพหรือข้อความต่างๆที่มันมาทางโทรทัศน์โทรศัพท์โนะ้ตบุ๊กยิ่งไม่ค่อยมีคนมาพูดจาสูงสิงอะไรด้วยต่างคนต่างอยู่ ใจที่มันฟุ้งซ่านค่อยๆสงบลงสงบลงเหมือนกับ น, น้ำขุ่นๆเนี่ยถ้าถ้าตั้งไว้บนโต๊ะมันก็ค่อยจะใสขึ้นใสขึ้นตะกอนก็ค่อยตกค่อยๆนอนกลน ไม่ต้องทำอะไรน้ำคุคนๆเนี่ยแค่อยู่นิ่งๆมันก็ค่อยนอนกล่นตะกรอนอนี้พอมีการปฏิบัติมามาช่วยด้วยด้วยการที่ไปไปเพ่งบ้างมีสิ่งบริกรรมบ้างเอาจิตไปกาหนดที่ลมหายใจบ้างเอาจิตไปเพ่งที่เท้าบ้าง มีการนับหนึ่งถึงสิบเป็นหรือพุโทโธมันก็ทำให้จิตเนี่ยสงบได้เร็วขึ้นพอสงบแล้วก็เพลินในความสงบตามปฏิบัติวันนี้เนี่ยมันก็ดีนะคือมันทำให้ความสงบเกิดขึ้นกับใจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการฝึกสติหรือเตรียมใจเพื่อไปรับมือกับ สิ่งเราสิ่งกระตุ้นนะเวลากลับไปนะสู่โลกภายนอกหรือว่ากลับไปบ้านเวลากลับไปบ้านนะไปอยู่ท่ามกลางผู้คนมีคนมาเกี่ยวข้องเยอะแยะมีงานการที่ต้องทำมีภาพมีเสียงที่มาที่กระหน่ำเข้ามา พอไม่ได้ฝึกสติเนี่ยพอจิตกระเพื่อมมันก็กระเพื่อมไม่หยุดมีสิ่งมายย่วเย้าให้ให้ชอบให้เพลินก็ก็ไปกับสิ่งนั้นหรือมีสิ่งยั่วยุให้หมุดหงิดขุนเคือง ก็ไปตามความโกรธไม่มีสติรู้ทันอย่ที่เคยพูดนะว่าความสงบมันมีสองอย่างสงบเพราะไม่รูนะ้หรือตัดการรับรู้กับสงบเพราะรูนะ้สงบเพราะตัดการรับรู้หรือสงบเพราะไม่รู้กนะ็คือ ไม่ได้ยินไม่เห็นอาจจะใช้วิธีปิดตาปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์แล้วก็อยู่ในห้องแอร์อยู่ในที่ที่เก็บเสียงเสียงเข้าไปไม่ถึง อย่างนี้มันก็สงบได้หรือว่าเพิ่มอีกหน่อยก็คื อ, อให้จิตยไปกําหนดอยู่ที่ลมหายใจบังคับจิตไม่ให้ท่องเที่ยวบังคับจิตไม่ให้ไปรับรู้อะไรรับรู้อยู่แต่อารมณ์เดียวคือลมหายใจ หรือว่าให้จิตมันอยู่คำบริกรรมมันก็สงบได้แต่พอต้องไปรับรู้อะไรเนี่ยไปเห็นไปได้ยินหรือต้องไปทำนั่นทำนี่เอาแล้วตอนนี้จิตมันก็แสบสายใหมนะ่สงบแบบนี้นมันสงบมัน สงบชั่วคราวแล้วก็สงบแบบมีข้อจำกัดมากคือต้องอาศัยสิ่งวอบรอมมาช่วยเยอะหรือต้องอาศัย อ, อิริยาบถบางอย่างอาศัยเงื่อนไขหลายอย่างเช่ น, น, นนะต้องอยู่เฉยเฉยนะไม่ต้องทำงานไม่ต้องไปเจอผู้คน อยู่ในห้องแอร์อยู่ในสถานที่ที่หลีกเล่นจากสิ่งภายนอกจากผู้คนนะมันเป็นความสงบที่ต้องอาศัยเงื่อนไขยเยอะเพื่อไม่ให้ภาพหรือเสียงนะมันเข้ามากระทบแลนะนี่การความสงบอีกอย่างก็คือความสงบเพราะรู้นะ รู้นี่หมายถึงรู้ทันอารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นเป็นความสงบที่ไม่ตัดการรับรู้หมายความว่าก็ยังไปอยู่ท่ามกลางผู้คนมีผ้ามีเสียงนะมันเข้ามาแม้ว่าจะบางครั้งอาจจะแบบรุมกระหน่ำเลยนะ อย่างเช่นไปแถวตลาดนะไปย่านชุมชนที่มันมีเสียงมีภาพมากมายเสียงรถตโรผู้คนควักไข่ไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็สามารถจะกระตุ้นจิตกระตุ้นใจให้กระเพิ่มได้กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงยินดียินร้าย ถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยรู้ทันอะไรรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดที่มันเกิดขึ้นมันก็จิตนก็จะเข้าสู่ความสงบคืนสู่ความปกตินะได้ไวธรรมชาติของจิตนี่มันธรรมชาติของอารมณ์คือความคิดเนี่ยถ้ามันถูกรู้เมื่อไหร่เนี่ยถูกเห็นเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะกลับมาเป็นปกติ เพราะว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่าความคิดที่มันพาจิตพาใจไปนั่นไปนี่ได้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราลืมตัวหรือว่าเกิดความหลงขึ้นมาพอลหลงเมื่อไหร่นี่อารมณ์ก็เข้าแทรกหรือว่าความคิดก็ปรุงแต่งทันทีเลย ปุงแต่งได้ไม่พอมันพาจิตพาใจไปไปนั่นไปนี่ได้อันนี้เรียกว่าพอความหลงนี่ทำอะไรยังไงให้ความหลงมา่ดไปก็คือต้องมีสตนะิรู้ตัวพอมีสติมีความรู้สึกตัวขึ้นมาก็เหมือนกับไฟที่มันเตาแก๊สนี่ถ้ามันไม่มีแก๊สเหลือนี่ ไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะฟืนนะเมื่อฟืนหมดนะกองไฟมันก็ก็ต้องดับไปแต่ว่าการดับของกองฟืนนี่กองไฟนี่มันอาจจะช้าแต่ถ้าเตาแก๊สนี่ถ้าแก๊สหมดปุ๊บมันดับปั๊บเลยนะไฟ อารมณ์ความคิดเหมือนกันนะมันกเ็เกิดขึ้นนะจากความหลงพอหลงปุ๊บนี่ก็ปรุงเลยนะปรุงความคิดปรุงอารมณ์แล้วแกนกลางของมันคือปรุงตัวกูขึ้นมานะเวลาคิดนึกคลุ้งสั้นอะไรต่างๆนี่มันมักจะมีตัวกูนี่เป็นศูนย์กลาง เป็นความคิดที่ล้อมรอบนะวนอยู่ไอตัวกูของกูนี่แหละเวลาคิด เ, เวลาคิดปรุงแต่งเวลาฝันเหมือนกันนะมันก็จะมีแต่เรื่องตัวกูของกูนั่นแหละมาจะฝันถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้มันก็แวดล้อมอยู่แบบตัวกูของกนะูอารมณ์กวหมือนันนะเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ย มันไม่ใช่ว่าอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้านะเสียใจหงุดหงิดนะมันไม่ใช่เป็นแค่อารมณ์เพียวๆนะแต่มันมีความรู้สึกมีตัวกูขึ้นมาเป็นผู้เป็นเจ้าของอารมณ์นั้นกูโกรธกูเศร้ากูเสียใจกูหงุดหงิด ตรงนี้แหละนะที่มันทำให้ทุกขนะ์ถ้าอารมณ์เพียวๆนี่นะเพียงแค่ถูกเห็นถูกรู้นี่นะมันก็ดับไปหรือว่าเพียงแค่ถูกเห็นถูกรู้นี่มันก็ไม่มีพิษสงอะไรมากเวลามีอารมณ์เกิดขึ้น เ, นเราดูมันเห็นมันเอ้ จะเห็นเลยนะว่าโอ้มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตอนนั้นเรียกว่ามันเห็นนะมันไม่เข้าไปเป็นป น, นี่ความความสงบที่ที่นักปฏิบัติคนนั้นพูดถึงเนี่ยนะมันก็เป็นความสงบเพราะตัดการรับรู้ เป็นความสงบเพราะไม่รู้เนี่ยเวลาอยู่วัดเนี่ยจริงรู้สึกเออปฏิบัติได้ดีแต่เวลาออกไปข้างนอกนะมันมีอะไรมากระทบมากมายเห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิน่นะยังไม่ต้องพูดถึงว่ามีอะไรมากระทบกายนะทำให้ร้อนบ้างทำให้หนาวบ้ า, บางอารมณ์ก็ แส้ายแล้วใการภาวนาการปฏิบัติที่วัดนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะจะเป็นหลักประกันนะว่าจะทำให้ออใช้ชีวิตในโลกกว้างดูในชีวิตประจำวันเนี่ยได้ไ ด, ได้ได้ดีมันเปนเพียงแต่ว่าทำให้จิตได้พักผ่อนชั่วคราว ได้ผ่อนคลายชั่วคราวซึ่งก็ดีนะก็ข ค, า, คามาเติมแบตเตอรีนะ่มาชาร์จแบตเตอรี่แต่บางคนมันชาร์จได้ไปเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วไอ้ที่ชาร์จไปนี่อาจจะชาร์จนานนะแต่ว่าพอออกไปเจอกับภาพเจอกับเสียงภายนอก มันก็หมดเร็วจริงๆยังไม่ทันจะออกจากวัดเลยบางทีก็พาท่าเสียทีแล้วอย่างที่เคยเล่านผู้ชายเนี่ยไปนั่งภาวนาอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมทั้งวันพอตอนเย็นนะจะกลับบ้าน เดินมาที่จอดรถเห็นรถของตัวเองนี่นะมันมีคันหนึ่งจอดซ้อนรถของตัวเองออกไม่ได้ mm. ก็โกรธเลยนะนะดา่านะพูดจาดา่าให้คนที่อยู่ข้างนอ น, นได้ยินเลยนะพูดจาดา่าด้วยความโกรธ เมื่อกี้ยังสงบอยู่เลยนะแต่พอมาเห็นภาพนะภาพอะไรภาพรถของตัวนี่มันออกไม่ได้นะโมโหนะดาขึ้นมาทันทีเลยอนนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะไม่มีสติรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอะถ้ามีสติไว้เนี่ยนะมันจะ พอมันเกิดความขุนใจเครื่องใจหรือว่ารู้สึกขัดใจขึ้นมาัมนเห็นแลสติมันจะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยนะไอความรู้สึกตัวกลับมาไอความโกรธความที่เกิดจากความหลงก็หายไปหรืองก็ค่อยๆชะลอลงไปค่อยๆค่อยๆมอดลง การปฏิบัติส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ให้รู้ทันให้มีสติปฏิบัติเพื่จะเอาความสงบงก็เลยสงบได้ชั่วคราวหรือว่าสงบอย่างมีข้อจํากัดการปฏิบัติเนี่ถ้าจให้ดีมันก็ต้องให้มีสติเอาไว้ก็คือรู้มันรู้มันรู้มันรู้นะ ความสงบเป็นเรื่องรองนะไม่ได้มุ่งเอาความสงบการปฏิบัติแบบลวงพ่เทียนนี่ไม่ได้ไม่ได้มุ่งเอาความสง บ, บแต่ค ว, า ส, วาสงบที่เกิดจากการไปบังคับจิตเนเวลาปฏิบัตก็เปิดตาแายไม่อยู่นิ่งๆด้วยยกมือเดินตรงกรม นี่เนี่ยก็เพื่อให้เสียงก็ดีผ้าก็ดีมันสามารถจะเข้ามากระทบแล้วกระตุ้นให้เกิดความคิดอารมณ์ต่างๆได้ให้มีความคิดอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อให้เ จ, จติตให้สติมันมีคู่ซอมฝึกให้รู้ฝึกให้รู้ ไม่บังคับจิตให้หยุดคิดจิตจะคิดก็เรื่องของมันแต่ว่าให้มีสติรู้แต่ก็ไม่ใช่ไปหาเรื่องคิดให้ให้วุ่นวายหาเรื่องคิดมันก็ไม่ถูกนะหรือว่าพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดก็ไม่ถูกก็ให้จิตเป็นทำงานตามธรรมชาติของมัน เพงแต่ว่าให้มีสติรู้ทันใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยรู้ทันหรอกเพราะว่าไม่ได้ถูกฝึกมาทางนั้นตั้งแต่แรกแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะฟุ้งแค่ไหนนะสุดท้ายเนี่ยมันก็รู้ตัวจนได้อาจจะฟุ้งไปสักห้านาทีสินาทีแล้วก็รู้ตัว สติมันก็ค่อยๆรู้ทันนะบางคนอาจจะโกรธนะเป็นวันเป็นคืนเต่แล้วพอรุ่งขึ้นก็รู้ตัวขึ้นมาใช้เวลาเป็นวันเป็นคืนนะกว่าจะรู้ตัวว่าโกรธเป็นบ้าเป็นหลังไปแล้วหรือว่าเศร้าโศกเสียใจ นะพอผ่านไปคืนหนึ่งตื่นขึ้นมาเออมันรู้ตัวขึ้นมานะครับคือจำประช่างคนเรานี่นะ ป, ปุตุชนเนี่ยมันมันก็มีสติทั้งนั้นแนะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ตัวไม่ช้าก็เร็วแต่ส่วนใหญ่รู้ช้าเพราะว่าไม่ได้ฝึกสติ มาตั้งแต่แรกนะแต่ถ้าเราฝึกสตินะฝึกให้รู้นะไม่ได้ฝึกให้ให้สงบมันจะคิดไปกี่เรื่องกี่ลาวนะก็รูนะ้พอรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆมันก็จะรู้ไวขึ้นไวขึ้น เหมือนกันเราท่องสุดคูณนะใหม่ๆก็ต้องใช้เวลาท่องนานกว่าจะกว่าจะท่องได้นะแล้วเวลาจะใช้งานก็ช้าสองคูณแปดมันได้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องคิดนะถ้าพักก็นึกออกสองคูณแปดเท่ากับสิบหก ว่ามันจะระลึกได้ว่ามันจะจำได้แต่พอเราท่อง บ, บ่อยๆท่อง บ, บ่อยๆแล้วก็ใช้ บ, บ่อยๆทำกันบ้าน บ, าบา่อยๆโอ้มันก็พอก็ถามว่าสามคูณเก้าเท่าไหร่มันตอบมันทียนะี่สิบเจ็ดอันนี้เพราะอะไรเพราะฝึกนะเพราะฝึก บ, บ่อยๆแต่ถ้า สุดคูนนี่ไม่ค่อยท่องเท่าไหร่นะไม่ค่อยท่องแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ทําแบบฝึกหัดโอ้มันก็ก่อนจะลําดับก่อนจะนึกออกว่าสามคูนเกสี่คูนแปดเท่ากับเท่าไหร่นี้ก็ต้องใช้เวลาให้การนึกคำตอบเนี่ยเรานึนคำตอบได้เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของสตินะมันระลึกได้ไว มันก็สัพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยหรือสับภาษาไหนก็ตา่างตอนเจอใหม่ๆก็ต้องต้องจําอย่างเดียวต้องท่องอย่างเดียวท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆพอท่องนะจนกระทั่งมันมันจําแม่นเนี่ยพอเจอสัพท์ตัวนั้นคํานั้นเนี่ยมันรู้ความหมายรู้คําแปลทันทีแต่ถ้าไม่ท่องบ่อยๆนะไม่ ไม่ทำการบ้านบ่อยๆเจอสับนั้นมันแปลว่าอะไรนะต้องใช้เวลาคิดอยู่นานแต่คนที่ทำบ่อ ย, อยปฏิบัติบ่อยไม่ว่าจะเป็นสูตรคูนหรือไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศมันมันจำได้ไวพอจำได้ไว้แม้กระทั่งในความฝันมันก็ตอบได้นะเวลาฝันนี่ไอ้สูตรคูนเนี่ย มันก็ยังใช้การได้ในฝันมีคนถามสองคูณเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่มันก็ตอบได้ในสิบสี่ในฝันที่บางนี้ก็พูดจาเป็นภาษาต่างประเทศก็พูดได้เหมือนกันถ้าสติเราไวเนี่ยเวลาฝันฟุ้งซ่าเนเ อ, อมันมันเข้าไป เข้าไปเบรคเข้าไประ ง, งับทันทีแล้วสติมันตางเขาไปทำงานในความฝันก็ยังได้เพราะว่าฝึกบ่อยๆ ย, ยังพยายามการปฏิบัติเรานในพยายานะอย่าไปอย่าไปเอาความสงบแต่ให้รู้เอาความสงบเมื่อไหร่นี่บังทีจะทุกข์ง่ายนะเพราะว่าปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่าน หลายคนปฏิบัติใหม่ๆก็จะบอกอมันฟุ้งซ่านเหลือเกินมีปัญหามาไม่อยากปฏิบัติเลยทําแล้วไม่ก้าวหน้ามีแต่ความฟุ้งซ่านจริงๆความฟุ้งซ่านนี่มันเป็นธรรมดามไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาแต่ตัวการที่ทําให้ทุกคือความอยากจะสงบอยากจะให้มันหยุดฟุ้งซ่าน มีความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์มันก็จ่อขึ้นมาทันทีนะอยากให้สงบนะพอคิดโน้คิดนี่ฟุง้งซ่านขึ้นมานีทุกข์เลยเหมือนกับเราเวลานั่งรถเดินทางอยากให้ถึงเร็วๆพอมีความอยากอันนี้ปุ๊บเนี่ยเตรียมเตรียมทุกข์ได้เลยนะพอพอรถติดพอเจอไฟแดงนี่หุดหงิดขึ้นมาเลยไม่พอใจขึ้นมาทันที อะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาเกิดขึ้นเพราะความอยากที่จะเห็นสิ่งตรงข้ามหรือว่าความรู้สึกลบต่อสิ่งนั้นถ้าเร า, าทำใจเราให้รู้ทันความอยาก เ, ออเรามีความอยากสงบก็พอรู้ก็วางมันลงหรือพอใจมันรู้สึกเป็นลบกับสิ่งนั้น เป็นลบต่อเสียงเป็นลบต่อความร้อนความหนาวพอรู้ทันว่าใจเป็นลบอาใจมันก็กลับคืนเป็นปกติพอรู้ทันความอยากความอยากก็หายไปความฟุ้งซ่านอยังมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์แล้วเพราะว่าตัวการคือความอยากให้ใจสงบนี่มันมันมันหายไปแล้ว เรถติดยังไงก็ไม่ทุกเพราะว่าความอยากจะให้ถึงเร็วๆมันหายไปหรือว่าความรู้สึกลบต่อการที่รถติดมันสงบลงพยายามฝึกให้มันรู้ตัวนะรู้ตัวแล้วก็รู้ทันด้วยนะไอ้รู้ตัวกับรู้ทันนี่มันก็พี่น้องกันนั่นแหละ พอรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะอารมณ์บวกหรือลบ ก, ก็ตามรมนะั้งรู้ทันความอยากรู้ทันอาการของใจในยามที่รู้สึกเป็นลบต่อสิ่งที่มากระทบนะอันนี้มันจะช่วยทำให้ใจมันสงบได้เร็ว มันสงบเองนะสงบเพราะอะไรก็รรู้นะไม่ใช่แค่รู้ทันความคิดเท่านั้นนะไม่ใช่แค่รู้ทันอารมณ์แต่ต้องรู้ทันความรู้สึกที่เป็นลบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและไม่ใช่แค่รู้รู้ทันความรู้สึกที่เป็นลบต่อเสียงต่อภาพ ตอเสียงที่ได้ยินต่อภาพที่เห็นแตย่ยังรู้ทันเวลามันใจมันรู้สึกเป็นลบต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นภาพเสียงกลิ่นรสอันนี้เป็นเรื่องภายนอกถ้ารู้ถ้าเป็นลบกับมันใจก็ทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มันอยู่ภายใน ถ้าเป็นลบต่ออารมณ์นั้นก็ทุกข์เหมือนกันนะมีความโกรธเนี่ยถ้าเห็นมันเฉยๆถ้ารู้เฉยๆนี่ไม่ทุกข์แต่พอรู้สึกลบกับความโกรธเนี่ยทุกข์เลยทำไมถึงโกรธเราไม่น่าโกรธเลยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะพอรู้สึกเป็นลบมันก็จะพยายามไปกดข่มความโกรธพอมากดข่มความโกรธก็เกิดปัญหาอีกแบบนึงขึ้นมาก็คือเครียด ปล่อยใจไปตามความโกรธก็ไม่ถูกนะหรือว่าไปกดข่มเป็นศัตรูกับมันก็ไม่ใช่เป็นท่าทความโกรธปล่อยให้ความโกรธมันมันใช้เราให้ไปด่าไปทาร้ายใครอันนี้ก็ผิดนะไม่ถูกแต่เป็นศัตรูความโกรธก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเป็นท่าทความโกรธก็ ก็เป็นก็ทำให้เกิดทุกข์นะเป็นศัตรูความโกรธก็เป็นทุกข์เหมือนกันแค่สิ่งที่ถูกคือเป็นกลางกลางวางใจเป็นกลางนะกับมันหรือว่าจะเป็นมีกับความโกรธก็ได้เป็นมีกับความโกรธคือเออแค่เราก็ไม่ไปไปทะเลาะอะไรกับมันมันเกิดขึ้นก็แค่ดูมันเฉย ความฟุ้งซ่างก็เหมือนกันนะเป็นถ้าความฟุ้งร่างก็ก็ไม่ใช่เป็นศัตรูความฟุ้งร่างก็ไม่ถูกแค่เป็นกลางกับมันไม่ได้เกียรชังอะไรมันแต่ก็ไม่ได้ยอมให้ยอมเป็นยอมให้มันมามีอำนาจเหนือใจเราวางใจเป็นกลางกลางอันนี้รู้เฉยๆรู้เฉยๆ รูเฉยเฉยไม่ไปกดข่มแล้วก็ไม่เคลิ้มคล้อยไปกับมันผู้อยากคือว่าไม่ตามแล้วก็ไม่ตาม้านแค่รู้เฉยเฉยงั้นถ้าทํายี่ได้นี่ไม่ว่าจะอยู่วัดหรืออยู่ที่ไหนอยู่ข้างนอกก็จิตก็เป็นปกติได้อันนี้เราสงบเพราะรู้นะชาติพทุทธธรรมนีนะาการาบพระ Thank you.